สตรีอายุประมาณห้สกราบปลุกปลุกลา ก, กลับไปแล้วบุรุษอายุประมาณห้สิก็ข้นมากราบเป็นจางขาประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วร้องทุกว่าหลวงพ่อครับพระอายุอีสิบห้าพามีอผมหนีลูกสามคนร้องไห้หาแม่ทุกวันหลวงพ่อช่วยตามเมียผมกลับด้วยเถอะครับพระอีกแล้วหรือทำไมถึงทําอย่างนี้ละ่ะ บาปต่ำมากเลยรายเมื่อกี้พรากลูกเขาพอมารายนี้พรากเมียเขาแล้วยังพรากแม่ไปจากลูกลูกอีกเป็นพระทำอย่างนี้ได้อย่างไรคนที่ไม่เข้าใจก็จะเอาไปพูดได้ว่าพระไม่ดีแล้วพากันไม่นับถือพระท่านถือโอกาสสอนญาติโยมว่า ญาติโยมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะปัจจุบันคนชั่วมาปลอมบวชกันมากที่มาบวชไม่ไดีหวังวิมุตตหลุดพ้นแต่มาบวชเพื่อจะหากินคือเอาผ้าหลืงมาห่มเพื่อหากินในทางหลอกลวงประชาชนอาตมาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลาบบาปที่สุด อาตมาสงสารที่เขาเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีคนแบบนี้เขาไม่เรียกว่าพระเพราะพระแปลว่าผู้ประเสริฐย่อมไม่ทําความชั่วจริงไหมจริงครับโยมผู้ชายคนหนึ่งตอบแล้วถามว่าแบบนี้พระรูปนั้นจะตกนรกไหมครับท่านพระครูตอบว่า ตกนรกแน่นอนเพราะทำผิดทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกคือละเมิดศีลข้อกาเมในทางธรรมก็ทำผิดพระวินัยข้อเสบเมทุนเท่ากับต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุถ้าศึกแล้วจะบวชใหม่อีกไม่ได้แล้วพวกบ้านโยมอายุเท่าไร ท่านถามบุรุษผู้ถูกพระแย่งพัญญาไป45ปีครับแกกว่าพระกัมปัน20ปีเรียกว่าเป็นแม่ลูกกันได้ผมไม่นึกว่าพระกัมปันผมไม่นึกว่าพระกัมปันจะตามืดตามัวถึงกับเอาคนคราวแม่มาทำเมียพ่อลูกสามตำหนิคนโกนหัวห่วมผ้าเหลือง ฉันก็ว่าพัญญาคุณคงจะตามมืดตามมัวเช่นกันที่เอาคนคราวลูกมาทำผัวสตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นหล่อนนับถือพระจึงเข้าข้างพระไม่ได้นะคะพัญญาคุณอาจจะไปหลอกพระก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกคนแบบนี้ว่าเท่าหัวงูส่วนผู้หญิงนะ่ะน่าจะเรียกว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนพระท่านอายุน้อยแล้วก็อยู่แต่ในวัดจึงอ่อนตระก เลยถูกพัญญาคุณหลอกหล่อนรู้สึกคันปากอยากจะพูดกรวนาอย่าว่าพัญญาผมถึงอย่างไรพระกำปันก็ผิดที่พาเมียผมหนีบุรุษนั้นพูดเข้าข้างพัญญาถึงจะโกรธหล่อนที่หนีตามพระไปแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาว่าพัญญาที่เคารพพระรูปนั้นชื่อกำปันหรือ ท่านพระครูถามเพราะได้ยินเขาเรียกพระกําปันมาสามครั้งแล้วครับหลวงพ่อเขาชื่อกําปันแต่ผมอยากจะให้กําปันเขาสักสองสามทีโทษฐานพาพวกบ้านผมหนีตอยพระบาปไหมครับเขาถามท่านพระครูนอกจากบาปแล้วยังถูกตำรวจ จับในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกด้วยการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาโยมอยากติดคุกหรือเปล่าละ่ะแล้วคิดบ้างไหมว่าถ้าโยมไปติดคุกลูกสามคนจะอยู่กับใครในเมื่อแม่ก็หนีตามพระไปแล้วจริงครับผมคิดผิดไปคนเมียหายพูดเสียงละห้อย คิดผิดคิดใหม่ได้ท่านพระครูใช้สำนวนก่อนสมัยถึงสิบปีเพราะอีกสิบปีข้างหน้าคนจะนิยมใช้สำนวนนี้ผมคิดไม่ออกหรอกครับหลวงพ่อกรนาช่วยผมคิดด้วยผมสงสารลูกเหลือกเกินพวกเขาร้องไห้หาแม่ทุกวันลูกโยมอายุเท่าไหรล่ล่ะอ่านหนังสือเป็นหรื อ, อยัง เป็นแล้วครับลูกสาวคนโตอายุ19กําำลังเรียนครูอยู่ปีสองคนร้องอายุส5บห้ากำลังเรียนมห้าส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุเพิ่งได้สามขวบเป็นลูกหลงมาเกิดพี่พี่ขอรักมากพอน้องร้องไห้หาแม่พวกเขาก็ร้องตามเพราะความสงสารน้องแล้วโยมละ่ะร้องไห้ตามลูกด้วยหรือเปล่าคำถามนี้ แหงใจดำาบรุษวัยห้าสิบเขาตอบเสียงอ่อยๆว่าก็ร้องบ้างครับผมสงสารลูกแท้จริงเขาคิดถึงพัญญามากกว่าสงสารลูกหรือคิดถึงแม่บ้านกันแน่สมพา์วัดป่ามะม่วงอุตส่ารู้ความในใจของเขาคนเมียหายจึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่ากอดทั้งสองอย่างแหละครับ ตกลงหลวงพ่อจะช่วยตามเมียให้ผมใช่ไหมครับเคารุบรัฐตัดความด้วยการโยนภาระให้ท่านพระครูอัตตมาจะไปตามได้อย่างไรละ่ะมรืนนี้อัตตมาต้องเดินทางไปอินเดียแล้วอีกอย่างอัตตมาก็ไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ใครเพราะไม่ใช่หน้าที่พระเมียใครก็ตามกันเอาเองแล้วกัน ท่านพูดเหมือนไม่ต้องการช่วยลุงพ่อได้โปรดเถอะครับช่วยผมกับลูกๆด้วยอย่าให้พวกเราต้องกำพร้าเมียกำพร้าแม่เลยนะครับเขาอ้อนวอนอัตมาขอถามอะไรโยมได้ไหมขอถามว่าทำไมโยมถึงไม่คิดมีพันยาใหม่ หาแม่ใหม่ให้ลูกไม่ดีกว่าหรือหาที่สาวสาวสวยๆกว่าพวกบ้านโยมนะพ่อลูกสามตอบทันทีว่าไม่ดีแน่ครับหลวงพ่อเพราะผมได้สาบานไว้กับพวกบ้านตอนก่อนแต่งงานว่าจะไม่ขอมีใหม่จะรักเดียวใจเดียวแต่เขาตลอดไปผมสาบานกับเขาที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มาก ผมไม่กล้าผิดสาบานครับคือเหตุผลที่เขาไม่คิดมีพัญญาใหม่เอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะแนะนำให้โยมกับลูกสาวสองคนสวดมหาเมตตาใหญ่สวดทุกคืนไม่เกินสามเดือนพูกบ้านจะกลับมาท่านหยิบหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ส่งให้เขา เป็นหนังสือที่โยมคนหนึ่งพิมพ์มาถวายเพราะเคยมาขอให้ช่วยเนื่องจากลูกชายหายไปจากบ้านหลายปีท่านช่วยด้วยการแนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่เยอะจังเลยครับหลวงพ่อผมคงสวดไม่ไหวหลวงพ่อช่วยสวดให้ผมด้วยก็แล้วกันเขาพูดง่ายฟังยากเสียใจอัตตมาเสียใจด้วย ที่โยมไม่ยอมแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่มีใครแก้ปัญหาให้ใครได้เราต้องแก้ด้วยตัวของเราเองถ้าโยมไม่แก้อัตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านพูดแบบไม่มีเยื่อใหญ่เพราะคนที่ไม่คิดจะแก้ปัญหาให้ตัวเองท่านไม่ต้องการจะเสวนาด้วยตกลงว่าผมจะสวดเองครับ จะให้ลูกสาวช่วยกันสวดด้วยส่วนลูกชายเขายังอ่านหนังสือไม่ออกไม่ต้องสวดได้ไหมครับได้แต่โยมไม่ต้องห่วงเด็กอายุขนาดนี้กำลังช่างจำเขาได้ยินพ่อกับพี่ๆสวดทุกวันไม่นานก็จะสวดได้เองถ้าเช่นนั้นผมขอกราบลาละครับจะต้องไปทำงานต่อ เขากราบเบญจังค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกไปไม่ลืมที่จะถวายซองบรรจุปัจจห้าร้อยบาทเป็นค่าปรึกษาด้วยเพราะไม่ชอบเอาเปรียบใครโดยเฉพาะพระทรงองค์เจ้าพอลูกสามลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าโยมคนนั้นเขาเป็นนายทหารยศพันโท ร, รบเก่งแต่พอมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกลับ คิดไม่ออกต้องมาขอให้อัตตมาช่วยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆ น, นะครับหลวงพ่อปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากเขาเองก็มีปัญหาครอบครัวจะมาเรียนปรึกษาท่านก็ถูกของโยมแต่ไม่ถูกของอัตตมาสาหรับอัตตมาเห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยมาก ท่านใช้สานวนในอนาคตอีกปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับอัตมาและสัตว์โลกทั้งหลายคือปัญหาสังสารวัตพระพุทธเทจ้าทรงแก้ปัญหาได้แล้วแต่สัตว์โลกทั้งหลายยังแก้ไม่ได้ทั้งที่พระองค์ทรงวางแนวทางการแก้ไขไว้ให้แล้วหลวงพ่อคะ หลวงพ่อทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ชายคนที่เมียห น, นีตามพระไปเขาเป็นทหารเขาไม่ได้บอกแต่ทำไมหลวงพ่อทราบสตรีอายุส0สเศษรู้สึกกังขาท่านพระครูตอบว่าถึงไม่บอกอาตมา ก, ก็ทราบอย่างโยมที่กำลังจะปรึกษาปัญหาครอบครวัวกับอาตมาคนนี้ก็เป็นทหารยศร้อยตรีใช่ไม่โยม ท่านถามบุรุษที่พูดว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับเขาถามแบบเดียวกับสตรีอายุส0สบเศษทราบได้จากกรรมฐานท่านพระครูไม่ได้พูดเกินความจริงเพราะกรรมฐานทำให้ระลึกชาติได้ท่านจึงรู้ว่าทหารสองคนนี้เคยเป็นทหารที่ร่วมรบกับพม่า สมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ผมจะกราบเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะตอบจากกรรมฐานใช่ไหมครับแล้วถ้าผมทำกรรมฐานด้วยตัวเองผมก็จะทราบอย่างที่หลวงพ่อทราบใช่ไหมครับร้อยตรีหนุ่มเรียนถามถูกแล้วแต่โยมจะต้องปฏิบัติให้ได้อ น, นิสงครบสามข้อดังที่อัตมาวิจัยไว้ คือต้องระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจนได้อานิสงสามข้อนี้โยมก็ไม่ต้องมาถามอาจตตา ม, มาเพราะรู้คำตอบได้ด้วยตนเองนี้เป็นอานิสง์ขั้นต้นของการปฏิบัติแล้วอนิสง์ขั้นกลางกับขั้นสูงคืออะไรครับ อันนี้สงคขั้นกลางคือต้องทำกรรมฐานให้ถึงขั้นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิดำริชอบเมื่อถึงขั้นดำริชอบก็จะประกอบแต่กุศลจะไม่ทําอกุศลเลยเมื่อประกอบกุศลก็จะได้ผลอ น, นันต์นี้เป็นเรื่องสำคัญ ญาติโยมโปรดจำใส่ใจส่วนอา น, นิสง์ขั้นสูงก็คือต้องปฏิบัติจนตัดความหลงในสงสารได้เมื่อตัดความหลงในสงสารได้โยมก็จะไม่ต้องมาเวียน่หวตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปทั้งหมดนี้คืออา น, นิสง์แห่งการเจริญพระกรรมฐานถ้าเช่นนั้น ผมจะลาพักร้อนมาเข้ากรรมาฐานจะหาคำตอบจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมอยากทราบคำตอบจากหลวงพ่อก่อนเพื่อจะตรวจสอบว่าผมปฏิบัติได้ตรงกับที่หลวงพ่อบอกหรือไม่ปัญหาของผมก็คือบ้านผมอยู่ติดกับวัดเขาบอกชื่อวัดวัดหนึ่งพระวัดนี้ชื่อเสียงไม่ดีไม่งามตั้งแต่สมภารยันลูกวัดที่ว่าไม่ดีไม่งามก็คือทาให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา อย่างเรื่องของผมมีเพื่อนบ้านมาบอกผมว่าเวลาผมไปชายแดนพระรูปหนึ่งจะปีนข้ามรั้วไปนอนกับเมียผมตอนแรกผมไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าจะมีพระที่ไหนทำระยาตาบอลอย่างนั้นแต่ก็ผิดสังเกตคือพอเมียผมรู้ว่าผมจะไปชายแดนมันจะดีใจจนออกนอกหน้าผมก็เลยชักไม่แน่ใจวันหนึ่งก็บอกเมียว่าพรุ่งนี้จะไปชายแดนพอรุ่งเช้า ผมก็ออกจากบ้านไปแต่ไม่ได้ไปชายแดนพอตกดึกผมก็กลับเข้ามาซุ่มดูอยู่นอกบ้านประมาณห้าทุ่มพระรูปดังกล่าวก็จัดการปีนรั้วข้ามมาบ้านผมนางเมียก็เปิดประตูออกมารับประคองกันเข้าไปในบ้านผมโกรธ จ, จนแทบจะยิงให้ตายตามกันไปเลยแต่มาคิดอีกทีถ้าผมยิงมันตายหนังสือพิมพ์ก็จะนำไปลงข่าวคนก็จะสาบแช่งว่า ผมบาปน้าสาหัสที่ข้าพระผมจึงสงบจิตสงบใจแล้วขึ้นไปเคาะประตูบ้านมีผมตะโกนถามออกมาว่าใครผมก็บอกว่าผมเองช่วยเปิดประตูหน่อยสักพักมันก็มาเปิดประตูผมรีบวิ่งตามไปที่หลังบ้านเพราะรู้ว่าพระรูปนั้นจะต้องไปหลบอยูที่นั่นแล้วหาทางหนีออกไปพอผมเจอมันนั่งตัวสันอยู่ใต้โตะ๊ะผมก็ซ้อมมันซะยับเยิน เสร็จแล้วเอาปืนจ่อหัวขู่มันว่าพรุ่งนี้ให้รีบย้ายไปอยู่วัดอื่นถ้าผมรู้ว่ามันยังอยู่ที่วัดนี้ผมจะยิงให้สมองกระจายต่อหน้าสมภารเลยมันก็รับปากรับคำว่าจะย้ายไปอยู่วัดบ้านเกิดมันซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรคะวัดอะไรคะดิฉันจะได้ไม่ไปทำบุญที่วัดนั้นสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นผมไม่สนใจจะจดจำหรอกครับแค่มันไม่อยู่ ให้ผมเห็นหน้าผมก็พอใจแล้วทหารหนุ่มระบายความแค้นด้วยการเรียกพระและเรียกพัญญาว่ามันแล้วมีปัญหาอะไรอีกก็ท่านย้ายไปอยู่วัดอื่นแล้วก็น่าจะหมดปัญหาท่านพระครูติงอุตสาเรียกพระรูปนั้นว่าท่านปัญหามันเกิดอีกครับหลวงพ่อคือตอนนี้เมียผมท้องผมระแวงว่า เด็กในท้องจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่ของผมอาจเป็นลูกไอพระระยำรูปนั้นท่านพระครูรู้ว่าเป็นอย่างที่เขาระแวงจึงพูดให้กำลังใจว่าจะเป็นลูกใครก็ช่างเข้ามาเกิดกับเราก็ต้องเป็นลูกเราอาตมาขอทำนายล่วงหน้านะถ้าไม่จริงโยมมาปรับอาตมาได้ อาตมาขอทำนายว่าเด็กในท้องจะเป็นผู้หญิงเขาเคยเป็นลูกสาวโยมเมื่อชาติที่แล้วเขาผูกพันกับโยมมากจึงตามมาเกิดเป็นลูกโยมอีกเลี้ยงเขาให้ดีแล้วเขาก็จะเลี้ยงโยมตอบเมื่อถึงวัยที่โยมเท่าชแรงแก่ชราเขาเป็นเด็กกระตันอยู่รู้คุณคนจะมีคนเมตตาเขา แล้วโยมก็จะได้เป็นนายพันเพราะบุญกุศลของลูกอัตมาดูหน้าแล้วโยมมีลูกคนเดียวเท่านั้นท่านรู้ว่าเขาเป็นหมันแต่เขาไม่รู้อัตมาจะเล่าให้ฟังคุณหญิงคนหนึ่งเคยมาหาอัตตมาบอกว่าสามีซึ่งเป็นนายพลได้เด็กคราวลูกเป็นพันยาและไปคลอดลูก อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขามาปรึกษาว่าจะเอาน้ำกรดไปสาด ท, ทั้งแม่ทั้งลกูกอตมาก็ห้ามไว้แล้วทำนายว่าอีกหน่อยเขาจะต้องรักเด็กคนนี้เขากดเทียงว่าเป็นไปไม่ได้ต่อมาในพลก็เป็นอมพาธาพัญญาก้นหนีตามชายอื่นที่อายุไล่เลี่ย ก, กันทิ้งลูกไว้ คุณหญิงก็เลยต้องเลี้ยงลูกให้แล้วก็ทั้งรักทั้งหลงเพราะเด็กแก่ก็คิดว่าคุณหญิงเป็นแม่ของแก่เด็กเขาบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวถ้าเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีเขาก็จะรักเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของใครนะโยมนะครับลุงพ่อถ้าเช่นนั้นผมขอกราบนมัสการลา จะไปทําเรื่องขอลาพักร้อนเพื่อมาเข้ากรรมฐานอย่างน้อยผมก็สบายใจขึ้นมากต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเขากราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไปหลวงพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อมากคะ่ะคุณพ่อเสียมาปีเศษแล้วแต่หนูยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันหนูจะทําอย่างไรดีคะสาวสวยอายุราวสาสิบ กราบเรียนเมื่อถึงคิวของหล่อนแล้วคุณแม่ของหนูยังอยู่หรือเปล่าท่านพระครูถามยังอยู่ค่ะหล่อนตอบแล้วคุณแม่ของหนูเขาคิดถึงคุณพ่อไหมไม่คิดถึงค่ะนอกจากนี้เวลาหนูร้องไห้คิดถึงคุณพ่อก็จะถูกคุณแม่ดุทำไมคุณแม่ต้องดุหนูด้วยคะ แบบนี้หนูต้องไปถามคุณแม่ดูมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปรู้ได้อย่างไรเพราะหลวงพ่อไม่ใช่คุณแม่ของหนูท่านตอบยิ้มยิ้มหนูเคยถามแล้วค่ะคุณแม่ตอบว่าคิดถึงก็ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนเพราะเขาตายไปแล้วคุณแม่ยังบอกอีกว่าถ้าคนเราเกิดแล้วไม่ตายป่านนี้ปู่ย่าตาทวด อยู่กันเต็มบ้านแล้วนะสิแล้วหนูคิดว่าสิ่งที่คุณแม่พูดมานั้นจริงหรือเท็จจริงค่ะตอบเสียงอ่อยถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าหนูไม่ยอมรับความจริงเพราะในเมื่อสิ่งที่คุณแม่พูดมาเป็นความจริงหนูก็ต้องทําใจให้ยอมรับความจริงให้จงได้จะได้หายคิดถึง คุณพ่อหนูทำงานอะไรละ่ะท่านเป็นครูประชาบาลค่ะท่านมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ก็ช่วยกันกับคุณแม่สร้างฐานะจนเป็นปึกแผ่นตอนเด็กๆคุณพ่อสอนหนูร้องเพลงหลวงพ่อเคยฟังไหมคะเพลงเด็กๆสมัยก่อนเพลงอะไรละ่ะท่านพระครูถามเพลงฝนตกค่ะเป็นเพลงสั้นๆหนูขออนุ ญ, ญาตร้องให้หลวงพ่อฟังได้ไหมคะ ท่านพระครูจึงขอความเห็นจากญาติโยมว่ามีใครอยากฟังเพลงฝนตกบ้างนูคนนี้เข้าจะร้องให้ฟังใครอยากฟังให้ยกมือขึ้นผู้ที่นั่งณนะที่นั้นไม่มีใครไม่ยกมือพวกหนุ่มๆยกทั้งสองมือแสดงว่าอยากฟังมากร้องดังๆให้คนข้างหลังได้ยินด้วยนะคะ เสียงบอกมาจากผู้ที่นั่งข้างหลังฟังเรื่องเครียดๆมาหลายเรื่องแล้วฟังเพลงสลับฉากบ้างจะได้คลายเครียดเอาละ่ะหนูร้องได้มีคนอยากฟังกันทั้งกุติเลยท่านบอกหญิงสาวคนคิดถึงพ่อจึงร้องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าฝนตกจักจัก๊กมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผัก มาถึงที่พักวางผักวางปลาเมื่อร้องจบคนร้องก็ร้องไห้เพราะคิดถึงบิดาอ้าวให้ร้องเพลงไงมาร้องไหล้ล่ะท่านพระครูประท้วงหนูหนูคิดถึงคุณพ่อค่ะตอบเสียงปนสะอื้นหยิบผ้าช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋ามาซับน้ำตาขออีกเพลงได้ไหมตอนฉันเด็กๆ พ่อก็เคยร้องให้ฟังแล้วก็มีเพลงจำจี้ผลไม้ด้วยคุณร้องได้ไหมสตรีอายุใกล้เคียงกันบอกกล่าวคุณพ่อก็สอนฉันร้องเพลงนี้เหมือนกันหลวงพ่อคะหนูขออนุญาตร้องอีกเพลงหนึ่งนะคะหล่อนขออนุญาตท่านพระครูได้ให้ร้องเพลงนะไม่อนุญาตให้ร้องไห้ท่านตั้งเงอนไขได้คะ่ะ หนูจะพยายามไม่ร้องไห้หล่อนรับคำแล้วจึงร้องเพลงจำจี้ผลไม้จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไ ย, ายมาเฟืองมาไฟมากรูดมานาวมาเ้าส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิ้วร้องจบหล่อนพูดว่า หูชอบเพลงแรกมากกว่าค่ะเพราะทําให้เห็นภาพคุณพ่อตอนหนูเป็นเด็กพอโรงเรียนเลิกคุณพ่อจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็เดินตากฝนกลับบ้านตัวเปียกปอนหมดมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักเหมือนในเพลงพอถึงบ้านท่านก็จะวางผักวางปลาลงคุณแม่ก็จะนําไปทํากับข้าวให้พวกเราทานทานเสร็จพวกลูกๆ ก, ก็จะช่วยกันล้างถ้วยล้างชาม ระหว่างนี้คุณพ่อก็จะเล่นดนตรีไทยคุณพ่อสีซอได้เพลเยอะมากค่ะตีระนาดก็เก่งพวกเราฟังกันเพลินพอทํางานเสร็จก็จะพากันอาบน้ําจากนั้นคุณพ่อก็จะสอนการบ้านทําการบ้านเสร็จคุณพ่อก็จะนําสวดมนต์ไหว้พระและจึงนอนคุณพ่อจะเล่านิทานก่อนนอนให้พวกเราฟังด้วยเล่าเรื่องพระอินทร์ทำสงครามกับพวกอสูรที่สวรรค์ชั้นดาวดึง บางทีก็เล่าเรื่องคนทำบาปแล้วไปตกนรกต้องถูกลงโทษทันด้วยประการต่างๆพวกเรามีความสุขมากค่ะด้วยเหตุนี้หนูจึงรักและคิดถึงคุณพ่อมากหล่อนมีท่าทีว่าจะร้องไห้อีกแต่แล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะถ้าหนูได้เป็นลูกสาวของหลวงพ่อหนูคงจะหายคิดถึงคุณพ่อหลวงพ่ออนุญาตให้หนูเป็นลูกสาวนะคะ ท่านเจ้าของกุฏิ ต, ตอบทันทีว่าตกลงหลวงพ่อรับหนูไว้เป็นลูกสาวฟังหนูเล่าถึงคุณพ่อแล้วหลวงพ่อยังนึกชื่นชมคุณพ่อของหนูที่เลี้ยงลูกได้ถูกวิธีด้วยการทำความดีให้ลูกดูหลวงพ่อนับถือจริงๆ